เราสนธนาธรรมการตามกาลเวลาก็เป็นมงคลของชีวิตการเห็นส ม, มณะก็เป็นมงคลของชีวิตนี่เรามาวัดมาปฏิบัติเราก็ทําจิตของเราให้เป็นมงคลได้หลายข้อทีเดียวในมงคล38ประการที่พระพุทธเจ้าตัดแสดงต่อเหล่าเทวดาทั้งหลาย เพราะเมื่อในสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยเราเทวดาทั้งหลายมาประชุมกันก็สนทนากันว่าอะไรบ้างที่เป็นมงคลอะไรบ้างที่ไม่เป็นมงคลปรากฏว่าก็ไม่มีใครจะทราบเราเทวดาทั้งหลายนั้นก็สอบถามกันไปเรื่อยๆก็ไม่มีเทวดาองค์ไหนจะทราบเรื่องมงคลได้ ย่างชัดเจนจึงได้ไปสอบถามกับเท้าสักกะเทวราชท่านเท้าสกกะเทวราชก็ตอบไม่ได้ที่จะตอบอย่างละเอียดครอบคุมทั้งหมดไม่ได้จึงได้มากับเรียนถามพระภูมิพระพักเจ้าซึ่งประทับอยู่ณนะพระเจดตะวันมหาวิหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เลยตัดเท็จเรื่องของมงคลซึ่งเราจะรู้จักกันว่าเป็นมงคลสูตรโดยเริ่มต้นตั้งแต่ว่าอาเสวนาจะภาละนังบัณติดบันตินดตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตมังคา ร, ร, รมุตตะมังคือในเบื้องต้นรเริ่มต้นซะก่อนว่าการไม่คบคนพาหนึ่งการครบบัณฑิตหนึ่ง การบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตนั้นเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องการครบหาสมาคมกันนะหรือว่าจิตใจของเรานะจะต้องไม่คบกับคนผ่านผ่านภายนอกผ่านภายในผ่านภายในก็คือกิเลสซึ่งอยู่ในใจของเรานี่ มันก็เป็นผ่านนะชักนาให้เรามีความเสียหายเดือดร้อนชักนำให้เราไม่มีศีลไม่มีทานมีแต่ความตนีทีเหนียวชักนำให้จิตใจของเรานั้นมีแต่ความเสื่อมเสียไปเป็นคนเกียดติค้านการงานเกียดค้านการเรียนหนังสือเป็นคนที่เกียรติค้านการปฏิบัติภาวนาในการสร้างคุณงามความดีต่งตงตงางๆนะ นว่าพานภายในคือความโลภความโกรธความหลงข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเสวนาจะพารานังการไม่คบคนผ่านหนึ่งนะผ่านภายนอกก็แต่บุคคลนะที่จะชักชวนเราไปในทางที่เสื่อมเสียนะเขาไม่มีศรัทธาอยู่แล้วก็ชักชวนให้เราไม่มีศรัทธาด้วย เรามีความเชื่อเรื่องสายในพระพุทธเจ้าวัฒนประสงค์ก็ชักชวนเราให้ไม่มีความเลื่อสายชักชวนเราให้ทําบาปทํำอกุศลกรรมอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นวัยเรียนก็เป็นเพื่อนที่จะชักนําให้เรามีจะเที่ยวเต้นนะไม่ขยันมันศึกษาเล่าเรียนก็ทําให้การเรียนนั้นไม่สําเร็จ ถ้าผ่านมากกน่านั้นก็ชักนาไปสู่สิ่งสู่ยาเสพติดให้โทษเดิมสุราไมไรัอย่างนี้เป็นต้นหาแต่ความสนุกสนานเที่ยวกลางคืนดูกัน เ, เล่นเล่นการผนันอันเป็นทางที่จะไปสู่อบัยภูมิทั้งนั้นก็เรียกว่าเป็นคนผ่านนะไม่มีปัญญาเป็นคนที่จะนำไปสู่ความเสียหายถ้าเราครบกับบุคคลเช่นนั้น ก็จะทําให้เราเกิดความเสียหายขึ้นมาได้หรือถ้าเกิดว่าระดับสูงขึ้นมาอีกนะคนผ่านนั้นไม่รู้จักการให้ทานมีศีลทม <c oughs> ก็จะชักนําให้เราเสียหายให้เราเป็นคนที่ไม่มีศีลมีธรรมชักนําเราไปสู่การปฏิบัติทางกายวาจาใจไปสู่เรื่องของอบปยภูมิต่างนั้นเราเป็นคนผ่าน ยกตัวอย่างเห็นได้ชัดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าอชาตสตูนี่ก็เป็นผู้มีบุญบา ร, รมีมากพอสมควรแต่เมื่อไปครอบกับพระเทวทัตซึ่งต้องการเป็นใหญ่ในคณะสงฆ์ก็เลยมาชักชวนพระเจ้าอชาตสตูนี้เป็นเพื่อนโดยการแสดงอิทธิฤทธิ์ให้พระเจ้าอชาตสตูนั้นเกิดความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็แนะนำให้ ทำบิทุคคาดคือฆ่าพระราชบิดาของท่านเองพระเจ้าชาติสตูนี้หลงเชื่อไปในคำชักชวนคำพูดของพระเทวประทัดจึงเนี่ยทำบิดุกคาดฆ่าพระเจ้าพิมพิสารจนเสียชีวิตโดยการนําไปขังคุกแล้วก็กีดฝาพระบาทเมื่อพระเจ้าพิมพิสารนี้ไม่สามารถเดินจงกรมได้ มีทุกขเวทนาอาหารกลางยาหารนั้นก็มาได้สเสวยในสุดสิณบุญชนพระเจ้าชาสตูแม้ว่าจะบมรงวัดวาออปถากพระศาสนาอย่างดีก็ตามในฟังธรรมของพระเจ้าแต่ด้วย ก, กรรมมันเป็นบิธุค ข, ขาต น, นั้นยึงขวางวัคผลนิพพานว่าตายไปแล้วก็ไปสู่เอเวจีมหานรก นะซึ่งพระเทวทัตก็ไปรออยู่ก่อนแล้วเพราะพระเทวทัตนั้นก็บคบกับพานในใจนะทําสงให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้หอบพระโลหิตนะนั่นดนั้นผ่านภายนอกนี้ถ้าเราครบแล้วก็จะทําให้เรามีความเสื่อมเสียได้พระพุทธเจ้าจึงตัดว่าเป็นข้อแรกเลยการครบหาสมคมว่าอาเสวนาจะผานอนังการไม่คบคนพานหนึ่ง ยังต้องระวังกายวาจาของเราใจของเราให้ดีว่ามันเป็นพานหรือเปล่าวาจาอย่างนี้เป็นพานเกิดจากกิเลสการกระทำอย่างนี้เป็นพานเกิดจากกิเลสเราก็ไม่ทําไม่พูดความคิดอย่างนี้มันเป็นพานเราก็ไม่คิดพยายามหยุดความคิดที่มันเป็นพานออกไปจักใจนะ่นคือาละบาปบำเพ็ญบุญนั่นเองนพยายามละบาป เพราะบาปเกิดขึ้นทางใจก็คือความคิดที่ละโมบลบมากก็ดีเพ่งเล็งทัพคนอื่นของเราก็ดีความโกรธความพยาบาทและกามุ่งปองร้ายนะมันก็เป็นกิเลสนะเครื่องสศรหมองที่จะทําใจของเราให้ทกเท่านั้นเราก็ไม่คบด้วยเราไม่คบทั้งคนผ่านภายในก็คือกิเลสคมผ่านภาย น, นอกก็คือกิเลสของคนอื่นอื พระพุทธเจ้าตัดไว้เป็นข้อแรกข้อที่สองนั้นบัณฑิตานั้นจะเสวนาการเสวนาคือการครบค้ากับบัณฑิตมีดามนดาก็เป็นดิตของบุตรครูบาอาจารย์ก็เป็นดิตของขอพรูภหลาบทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็เป็นมหาบัณฑิตที่เลือกข้อบัณฑิตทั้งหลายทั้งปวง เนือบันเด็ดทั้งหลาทั้งปวงทีเดียวเป็นศาสดาของเราเราก็ต้องคบท่านคบคำสอนของท่านคบประสงค์ที่ปมาพืชปฏิบัติปฏิบัติชอบสาวกของบุทรเจ้าอันในส่วนของธรรมะก็จะพาใจของเรานั้นน่ะให้รู้หนทางที่ถูกต้องในการมาเพืชปฏิบัติเพราะว่าจิตดวงเดียวท่องเที่ยวไปวัเมียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้ มันยากลำบากที่เราจะไปได้ถูกทางเหมือนคนตาบอดเนี่ยเราปล่อยให้เดินไปนะก็เดินไปตามถนนบ้างเดินครับไปในป่าบ้างเดินไปในทะเลบ้างตกน้ำบ้างตกภูเขาบ้างถูกสัตว์ทั้งหลายกัดทำลายบ้างมีอุปสรรคนาประการมากมายเพราะว่ามองไม่เห็น จิตที่มีความเมิดไปด้วยอวิชชาเมียน่าวตายเกิดไปในวัฏฏสงสารไปในภพทั้งสามเรียกว่าทุกข์ยากลำบากมากที่จะไปเจอหรือจะไปรู้จักว่าทางไหนที่จะไปสู่ความสบายหรือสุขติโลกสวรรค์ส่วนใหญ่แล้วอวิชชาธนาอุปาทาน ก็พาจิตไปสู่อาวายภูมิซะเสียมากเพอใจก็มือดอยู่แล้วเมื่อยิ่งไปคบกับคนพานด้วยก็ยิงจะไปสู่อาวายภูมิไอ้ใจที่มืดนี้อาศัยความสว่างขององค์สมเด็จพระศ า, าสดาพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตัสรู้แล้วเป็นใจที่สว่างสวยัยมีปัญญา มีพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมรรคภานาที่คุณเทศสอนอบรมธรรมะจนเกิดพระสงค์สาวกขึ้นในพุทธศาสนาทั้งฝ่ายประสงค์ปสิกาที่เป็นภริยาบุคคลในพุทธศาสนาก็มีจํานวนมากเมื่อใจของเรายังมืดยังบอดเมื่อเราครบกับบัณฑิตเพราจะจกคบค้ากับบัณฑิตคบค้ากับผู้ที่มีความรู้ในวิทยาการทั้งหลาย ก็จะสั่งสอนเราให้เรามีความรู้ในการประกอบสัมอาชีพไปด้วยให้เรามีความรู้ในศาสตร์ต่างๆไปด้วยเมื่อคบกับอันดิตในทางพระก็จะมีปีหลักของพุทธศาสตร์ศาสตร์ของความรู้ในใจของเราด้วยที่เราจะประพฤติปฏิบัติเอาวันทางไหนที่จะไปสู่อธาบายเราก็ไม่ไปทางนั้นวันทางไหนที่จะไปสู่ความสว่าง ไปสู่สุขติในปัจจุบันแล้วก็ในโลกข้างหน้าแล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นแล้วก็ครบกับบัณฑิตเช่นนั้นพระเจ้าปราเทศต่อไปอีกบูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาองค์สมเด็จพระสาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมาเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นบุคคลที่เราควรบูชา พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตัสรูเองโดยชอบมีพระหมหาคุณานุทิคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก็เป็นธรรมที่เราสามารถพิสูจน์ได้เป็นปัจจตังเวทิพิทธาโพมอยุหิผู้รู้พึงรู้ได้ย่างพระตนด้วยเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไปดิบแล้วด้วยเราควรจะน้อมเข้ามาใส่ใจของเรา เอาเพื่อปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาจนจิตเห็นแจ้งก็จะเป็นสงสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าเราก็บูชาพระสงสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์แต่พระองค์นั้นน่ะได้มารูปธรรมตามพระพุทธเจ้าไปแล้วครูบาอาจารย์ก็ดีมีดามบรรดาก็ดีเป็นผู้ที่เราควรบรูชาเคารพ หรือบุคคลที่อ่อนกับเราแต่มีธรรมะเราก็บูชาเคารพได้ในธรรมะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเคารพบูชาบุคคลที่มีคุณธรมธรมศีลธรรมก็จะน้อมนําให้เรามีการครบหาสมาคมเพราะท่านเป็นบัณฑิตถ้าเราท่านกัจอนในเรานั้นไม่ให้คบกับคนผ่านคนชั่วก็จะเป็นมงคลกับชีวิตของเรา เริ่มต้นบริจาคก็จะเทศในเรื่องของมงคลสุดแล้วก็เทศเรื่องของมงคลไปได้หลายข้อนั่นถึงว่าปฏิรูประเทสวะโสการเกิดในประเทศที่สมควรประเทศที่มีหลักในพระพุทธศาสนาเราก็จะได้เรียนรู้หลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี ในสมัยพุธกาลก็เกิดในประเทศอินเดียในสมัยนี้ก็เกิดในประเทศไทยประเทศศรีลังกาโดยเฉพาะประเทศไทยก็มีบุคคลนับถือพระศาสนาจำนวนมากเช่นประเทศอินเดียในสมัยก่อนมีพระเจ้าพระสงค์ออกบิณฑบาตมีญาติโยมศรัทธาใส่บาตรถวายพระทหารถวายปัจจัย4พร้อมเช่นเดียวกับสมัยพุทธกาล อาวัจจาประสงค์มาพิจาปฏิบัติตามหลักของศีลนรมทีปัญญาก็สามารถที่จะเห็นธรรมบรรลุธรรมได้อนุญาติโยมที่มาพิจารณปฏิบัติละบาปบำเพ็ญบุญทําใจให้ผ่องใสก็จะบรรลุธรรมะได้เช่นเดียวกันใ น, ในกับสมัยพุทธกาลประเทศไทยเราจึงเป็นประเทศที่สมควรในปัจจุบันนี้ในว่าพวกเราก็มาได้เกิดในประเทศที่สมควรเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตของเรา หรือว่าบุญทั้งหลายที่เราได้ทำไปแล้วแต่ปางก่อนนะทำไปแล้วแต่ปางก่อนเช่นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราทำไปแล้วแต่ปางก่อนเรามาเกิดในชีวิตนี้ผลบุญนั้นก็จะส่งให้เรานะมีความสุขมีสติปัญญาดีมีทรัพย์สมบัติมีอริยทรัพย์ภายในคือศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญทรัพย์ภายนอกก็พอที่เราจะอยู่ได้ในโลก ทรัพย์ก็คือปัญญ า, าศรัทธาศีลนะอันนี้เป็นทรัพย์ในส่วนของนมามธรรมก็เป็นบนที่เราอบรมไปแล้วทาไปแล้วก็เป็นมงคลของชีวิตว่อเรามีปัญญาดีการศึกษาเราเรียนนะเราก็จะสำเร็จได้แต่การศึกษาเราเรียนจะสำเร็จได้นั้นเราก็โดยมูงองค์ประกอบ บางทีเรามีบุญมาแล้วเกิดมาแล้วก็พร้อมใม้ด้วยบิดามารดาหาเลี้ยงชีพมีเงินให้เราศึกษาเราเรียนเขียนอ่านไม่ขัดข้องจะใช้ใจ่ายอะไรต่างๆไม่เคยมีอะไรที่ขัดข้องเลยนะจะเป็นเครื่องแบบนักเรียนจะเป็นอุปกรณ์การเรียนทั้งหลายนะพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ถ้าเกิดว่าเราหลงไปใจของเรามืดไปหลงไปคบกับคนพาลคือใจของเราที่มีกิเลสคบกับคนพาลภายนอกก็ทชักนาให้เราร่วมหลงไปในสิ่งอภิย ม, มกการศึกษาเราเรียนนะก็ไม่สำเร็จเมื่อการศึกษาเราเรียนไม่สำเร็จ้าบิดามัดาของเราล่วงไปแล้วเราจะอยู่อย่างไรเราเพึ่งตัวเองไม่ได้ถ้านมาได้อยู่กับเราตลอดไป เมื่อเราไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถก็จะอยู่ได้ยากลำบากในโลกยิงในสมัยพุทธกาลมีลูกของเศรษฐีไม่สนใจในการศึกษาศิลปะวิทยาการอะไรเลยหาเลี้ยงชีวิตของตัวเองไม่ได้เมื่อสิ้นบุญของผู้เศรษฐีผู้เป็นพ่อไปแล้วเธอก็ไม่ค้องขวายจะทําทอะไรในที่สุดมั่นไปชีวิตแล้วก็ ล่มละลายไปพระพุทธเจ้าตรัตวเศรษฐีคนนี้ถ้าอยู่ในวัยหนุ่มปฏิบัติธรรมก็จะได้คุณธรรมชั้นสูงเป็นภริยาบุคคลชั้นสูงถ้าเกิดทำการงานทางโลกก็จะเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งทีเดียวนะแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ทำโอกาสที่มีอยู่นั้นเธอไม่ได้ทำการค้นขวา้า ในการทําการงานการศึกษาทั้งหลายและก็ไม่ปฏิบัติธรรมจึงสูญเสียไปทั้งอริยทรัพย์และทรัพย์ภายนอกทวายกางคนเธอปรเพื่อปฏิบัติธรรมก็จะได้มรรคผลเหมือนกันรองลงมาถ้าทําการงานก็จะได้เป็นเศรษฐีระดับรองลงมาเหมือนกันนะแต่นี่เธอก็ละความดีนั้นไปแล้วไม่ได้ทําความดี ไม่ได้ทําการงานไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ทําให้โอกาสที่จะได้ความดีทั้งทรัพย์ภายในซับภายนอกก็ไม่มีมันไปชีวิตเธอก็ไม่ค้นคว้อะไรเธอจึงกว่าสูญสิ้นประโยชน์ที่จะได้รับไปงั้นเพียง น, นั้นถ้าเราเป็นผู้ที่มีบุญเมตตามาแล้วแต่ปางก่อนมาเกิดและกับพ่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอย่าปล่อยโอกาสที่เรามีหรือบุญที่เรามีนี้ให้มันหมดไป เพราะการครบกับคนผ่านใจใจหรือคนผ่านแผ่นอกที่จะชักนำเราไปในความเสียหายนะเที่ยวแต่กินเหล้าเมายาการศึกษาก็ไม่สำเร็จหรือทำการงานก็ไม่ได้เรียกว่าเราต้องรู้จักตนรู้จักพิจารณาแล้วในข้อต่อไปก็คือเรียกว่ากตันยูกัตะเวทิตา ก็เรียกว่าคนเราเกิดมาก็ต้องมีกตัญญูรู้คุณของท่านที่ทําไปแล้วรู้คุณของบิดามารดาที่มีต่อเราที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เราอยู่ในท้องที่เราเกิดเกิดขึ้นมาแล้วท่านก็เลี้ยงเราจนวัจเจริญไหวส่งเสียเราเรียนอีกนะสําหรับผู้ที่อยู่ในวัยเรียนแล้วเราจะแสดงออกซึ่งความกตัญญูตวีติตาต่อท่านได้อย่างไร หรือเราบางทีไม่ได้รู้ถึงคุณของท่านเลยเห็นว่าท่านจะต้องให้เราตลอดเวลาอย่างนี้เป็นความเห็นที่ผิดเมื่อเรารู้ถึงคุณของท่านที่ท่านให้เราแล้วเราต้องตอบแทนท่านคิดตอบแทนท่านแลวก็ทำการตอบแทนท่านด้วยการศึกษาเราเรียนให้สำเร็จไม่คบคน่านคบบัณฑิตตั้งใจ นำความสําเร็จในการศึกษามาให้กับพ่อแม่ของเราให้ได้สิ่งใดที่เป็นอุปสรรคเราก็ต้องละสิ่งนั้นหรือเมื่อเราสําเร็จในการศึกษามาแล้วทําการงานก็ตอบแทนคุณของท่านในการประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ทานสมทานศีลภาวนาตอบแทนคุณของท่านในการเลี้ยงท่านตอบแมงนี้เป็นต้นก็เรียกว่าเราเป็นผู้ที่มีกระตันยูกระเตววทิตา ต่อท่านแม้แต่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาตัมเจ้าก็ตอบแทนคุณของบิดาเทศสอนจนว่าท่านได้สาเร็จเป็นพระลัหันตอบแทนคุณของบรรดาไปเทศโพรดที่ดาวดึงจนได้ดวงตาเห็นรธรรมภาษาดิบุตรเจ้าก็ตอบแทนคุณของบรรดาของท่านโดยการที่ท่านไปนิพพานที่บ้านเกิดห้องที่ท่านเคยคลอดจนบรรดาของท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรม ชดใช้ความดีที่มารดาบิดาเคยให้ไว้เพียนวเมื่อเราพวกเราเป็นชาวพุทธข้อกตัญญูกตเวทิตานี้จึงเป็นคุณเครื่องหมายขอ ง, ของคนดีเป็นมงคลของชีวิตบางครั้งเรามากับพระพูดกับพระอย่างไพลระแต่พูดกับบิดามารดานั้นไม่ไพลระท่านก็จะเสียกำลังใจ เราก็ต้องพูดกบิดามดาของเราได้ดีเพราะว่าท่านเป็นพรมของบุตรท่านเป็นพระอรหัที่อยู่ในบ้านเราต้องให้ความเคารพคารวะเราต้องมีจิตใจที่จะกระตันยูกตเว ท, ทิตาต่อท่านจะเป็นมงคลของชีวิตของเราเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเราเป็นคนตั้งตันเอาวที่ชอบแล้ว ตั้งตนอยู่ในทานในความดีในทานในศีลในภาวนาก็เป็นตั้งตนในที่ชอบถ้าเราตั้งตนไม่ชอบนั่นก็คือกินเหล้าเมายาเป็นวัยเรียนก็เที่ยวเต่ไม่ศึกษาไม่สนใจในการเรียนทำการงานก็ไม่สนใจในการงานเราตั้งตนไม่ไมชอบเราอยู่ในระดับไหนหนาทีของเราควรทำอะไรเราก็ต้องตั้งตนไว้ที่ชอบ จะเป็นมงคลของชีวิตอันนี้ก็โดยย่อๆเรื่องของมองคลสุดที่เราเทวดาทั้งหลายจำนวนมากก็ปรึกษาหาลือกันก็ไม่ได้รับคาตอบไม่มีใครจะรู้ได้ไปปรึกษาท้าวสากาศเทวราชท่านก็ไม่ทราบจึงได้นะ่ะเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้านับเชตวันมหาวิหารยังเชตวันมหาวิหารให้สว่างสวัยนะเหมือนเวลากลางวัน พระรัชกาเลยตัดเรื่องมงคลลสูตร38ิปประการนังที่ทํามาก็ได้บรรยายมาโดยยอ่อๆนะเพราะให้เรานั้นได้นำไปคิดพิจารณาเพื่อให้เกิดศรัทธาและประพฤติปฏิบัติตามหลักของมงคลเมื่อเราปฏิบัติสิ่งที่เป็นมงคลใจเราเป็นมงคลแล้วชีวิตของเราครอบครัวของเราก็จะมีความสุข สมกับว่าเรานั้นเป็นชาวพุทธเกิดมาในประเทศที่สมควรก็ต้องรู้จักมีปัญญาและก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าก็ขอให้เจริญในธรรมเท่ากันทุกทุกท่านเถิด